หากจิตใจคุณโฟกัสกับงานต่อให้สิ่งแวดล้อมเลวร้ายหรือคนอื่นมองว่าน่าเบือ่อใจที่โฟกัสของคุณจะช่วยให้รู้สึกดีรู้สึกว่ากายใจนี้มีค่าขี้เกียจทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่ทำไมรู้สึกเหมือนทรยศตัวเองบางคนบอกว่ามันปนปนกันมั่วๆ อ, อยู่ ระหว่างรู้สึกเกลียดงานไม่อยากรุกขึ้นไปทำงานกับความสงสารตัวเองไม่ชอบที่ตัวเองต้องมาอุดอู้อยู่กับชีวิตในกล่องเล็กๆแคบๆกม้มหน้าก้มตาทนเช้าชามเย็นชามแค่นี้เจ็บใจชตาอยู่จี๊ดๆในอกกับรู้สึกผิดที่ไม่รับผิดชอบมันต่างกันนิดเดียวแค่บางๆถ้าคนส่วนใหญ่ถามจะถามว่าไปทาเวรทากรรมอะไรมา ถึงต้องมาโดนงานทรมานทรกรรมหรือต้องมาใช้เวรใช้กรรมกับคนที่ทำงานแบบไม่ได้พักหายใจให้คอแล้วก็มองไม่เห็นว่าเมื่อไร่จะได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมพันนี้ไปเสียทีคิดเช่นนั้นแล้วบางคนก็กัดฟันทำงานของตนให้ดีต่อไปขณะที่อีกหลายคนทำมันส่ ง, สงเสร็จครึงกลางๆก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วหมดหน้าที่ตนแล้ว นั่นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยระลึกว่างานเลี้ยงชีพนั้นมีความหมายว่ามันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและก็เลี้ยงจิตเลี้ยงใจให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นใครหรือมีความเป็นอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมาในโลกเอาตัวรอดได้เพราะมีบางสิ่งหล่อเลี้ยงอยู่อาจจิตใจคุณโฟกัสกับงานต่อให้สิ่งแวดล้อมเลวร้ายหรือคนอื่นมองไว้หน้าเบื่อแค่ไหนใจที่โฟกัสของคุณ ก็จะช่วยให้รู้สึกดียางน้อยก็ดีกว่าตอนท่อนหุยเอื่อยเฉยและใจที่โฟกัสของคุณก็จะช่วยให้รู้สึกเต็มเนื้อเต็มตัวรู้สึกว่ากายใจนี้มีค่าที่ได้ผลิตอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมาในโลกทุกวันยิ่งคุณเคยสร้างผลงานไว้ได้ดีเพียงใดวันหนึ่งถึงเวลาขี้เกียจอยากห้อยมือห้อยขานอนมองขอบฟ้าชายทะเลเฉยๆไปจนตาย โกัสเดิมๆจะหายไปตัวตนเดิมจะเสียศูญย์รู้สึกเหมือนมีใครอีกคนเข้ามาแทนเป็นคนที่ไม่มีความหมายไม่มีหน้าตาที่คมชัดเหมือนแตก่ก่อนลึกๆจึงเหมือนหักหลังตัวเองลบหน้าลบเหลี่ยมตัวเองไปเมื่อแดนิยามชัดเจนว่าการไม่ใส่ใจงานที่เต็มที่ก็คล้ายการเนือรคุณ กับสิ่งที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงจิตเลี้ยงใจคุณอยู่คุณจะค่อยเกิดสำนึกอีกแบบขึ้นแทนที่ไม่รอให้ใครเห็นค่าของงานคุณเพราะคุณเองนั่นลหละจะเห็นค่าของความสุขความพอใจในตนอันเกิดจากการมีใจโฟกัสให้กับงานเองท่องไว้ใจที่โฟกัสกับงานนั่นลหละตัวจริงของคุณตัวตนในโลกนี้ของคุณส่วนใจที่เลื่อนลอยไม่เอางาน มันปีศาจทรยศตัวไหนก็ไม่รู้